ขนาฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวไม่ต้องส่งออไปที่ไหนให้รู้อยู่เฉพาะตัวเท่านั้นแม้แต่ผู้เทศก็ไม่ให้จิตส่งออกมามันก็เหมือนคนไม่อยู่บ้านนั่นเองจิตส่งออกมาข้างนอกความรู้สึกภายในด้อยลงไปไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าจิตอยู่กับที่ความรู้สึกภายในเต็มที่ ความสัมผัสยังทำก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการฟังทมก็ต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตของเรามีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งออกภายนอกถ้าแสธรรมเข้าไปสัมผัสก็เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยจิตใจย่อมมีความสงบเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกัน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 ในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศพท่านอาจารย์กว่าขอไปปรงุงอันนี้จังทุกขห้าตาที่นั่นอีกทีนึงพอก้าวขึ้นไปสู่เมนท่านขอไปกราบเพราะมีความท่านสนิสนมกับท่านอาจจะร่วมเกินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้จะต้องไปกราบขอขอมาท่าน ท่านเป็นคนไม่ชอบพูดแล้วคิดดูเรื่องปฏิบัติาการดำเนินมาของท่านโดยลาดับท่านไม่เคยมีครอบครัวทําปฏิบัติแต่ป่อนเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นได้ชมเชยทุงเรื่องการนวดเส้นท่านบรรดาลูกศิษย์ที่มาอุปถัมภ์บัติษฐ์แต่พ่ออย่างยิ่งการนวดเส้นไม่มีใครสู้ท่านกว่าได้เลยท่านกว่านี้เรา ทำเหมือนกับหลับท่านก็เหมือนกับหลับอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเราทําไม่เหมือนหลับท่านก็เหมือนหลับตลอดเวลาแต่แต่มือที่ทํางานไม่เคยลดละความหนักเบาเพราะให้ทราบว่าท่านกว่านี้หลับไปหรือง่วงไปนะท่านชมแต่ดูอาการนั้นเป็นลักษณะคนชัตวดสงบว่างั้นเวลานวดเส้นให้เรานี่ สระหน ก, กงอกงินเหมือนกับคนจะหลับแต่มือนั้นทํางานอยู่โดยสม่ําเสมอแสดงว่าไม่หลับแ่ทันว่านอกจนั้นถ้าลงมีลักษณะสัประหนกแล้วมือมันตายไปแล้วแหละทันว่า <c oughs> ถอาจารย์ว่นท่านพูดโกงไปบ้งมามือมันตายเจ้าของกําลังสลบทันว่างั้นคือกําลังสัประหนกนั่นแหละพอเจ้าของกำลังส ล, งลงสบขอขอลสลแต่มือมันตายไปแล้วทันว่า ตายไปก่อนเจ้าของคนะแตท่านกว่าไม่เป็นอย่างนั้นการอุปธรรมป่ากเกีงมากก็ทําให้เราคิดย้อนหลังขึ้นไปเวลาท่านอุปธรรมป่าเท่านอาจารย์มั่นรู้จะสมัยที่อยู่ไหนอยู่ทางท่าบ่อตัางไหนไม่รู้เราลืมลืมไปแล้วจากนั้นมาท่านจิตใจท่านก็เผลอไปบ้างการปฏิบัติก็เผลอไปในตอนหนึ่งรู้่าจะสึกจะอะไรไปแล้วกลับตัวได้ ตอนที่ท่านอาจารย์มั่นมาจากเชียงใหม่แล้วกลับตัวได้เรื่อยมาไ ม, ไม่สบอยู่มาจงกระทั่งทุกวันนี้จนถึงวาระสุดท้ายท่านแล้วก็ไปดูเมนท่านดูศพท่านในหีบคือดูหีบศพท่านกราบแล้วก็ดูวิจอยภายในอ๋อนี่เป็นวาระ สุดท้ายของชีวิตนี้มาถึงแค่นี้เดินไปไหนก็เดินเที่ยวไปไหนก็ไปแต่วันละสุดท้ายที่จะหยุดยุติกันไม่มีความเคลื่อนไหวไปมาก็คือวายละที่ขึ้นเมนนี้ทีนี้จิตจะไม่ขึ้นเมนด้วยถ้าจิตจะไม่สิ้นจากกิเลสอาสวะจิตจะต้องท่องเที่ยวไปอีกที่ขึ้นอยู่สู่เมนนี้มีตั้ง เพียงร่างกายเท่านั้นทำให้คิดไปมากมายเหมือนกันวันนี้แม้เป็นนั่งอยู่นั่งกันยังเอามาเป็นอารมณ์คิดเรื่องนี้อีกทีถ้ามันสัมผัสแล้วเป็นอย่างนั้นมาคิดหลายเงี้ยหลายกระทงพิจารณาถึงเรื่องมัตตวนวนไปวนมาเกิดขึ้นมาอายุสั้นอายุยาวก่อน ของเที่ยวไปนู่นมานี่ไปไก่ไปไก่ผลจุดท้ายก็มาลงที่จุดนี้จุดท่ามาลงที่จุดนี้แต่ไปไหนก็มีกิเลสครอบงําเป็นนายบังคับจิตใจไปเรื่อยๆแต่ไปสู่ภพก็กรรมวิบากซึ่งเป็นอานางานมาจากกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นควบคุมไปเหมือนกระพู้งตองหาไปเที่ยวสู่กําเนิด น, นั้นไปสู่กําเนิด น, นี้เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ เหมือนเป็นผู้ต้องหาไปด้วยอำนาจแห่งอำนาจกดแห่งตำํำโดยมีกิเลสเป็นผู้ควบคุมอยู่ฉากหลังสาตโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเป็นคนพิเศษในการท่องเที่ยววะตะสงสารอยู่นี้ต้องเป็นเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นคนพิเศษก็คือผู้ที่พ้นจากกงจกักรือเครื่องหมุนของกิเลสเท่านั้นเองดังนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีเท่าไรเหมือนกันหมด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 สูงก็เป็นอำนาจแห่งความดีแต่ที่ยังปเกกดอยู่ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสเนี่ยธรรมะกิเลสกิเลสนี้จึงแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นพบใดแม้ที่สุดทมมาโลกก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะต้องไปปกครองถึงท่านสุทธาวาสก็ยังต้องปกครองอยู่สุทธาวาสคืออิหาตปาสุทัศสาตัวสีอคณิฐา เป็นท่านชันสุดทา้ายแต่ว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ถ้าแปลออกอวิหาเป็นชั้นแรกผู้ที่สําเร็จพระนาคามีขั้นแรกหากว่าตายก็เกิดในชั้นนี้อวิหานี้อัตาปาเป็นชั้นที่สองแล้วเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นนี้เลื่อนหนึ่งขั้นนั้นถึงขั้นนั้น ไปถึงจนกระทั่งถึงขั้นสุทธาวาสก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะไม่บังคับจิตใจเพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู่ถึงจะละเอียดเพียงไรก็เรียกว่ากิเลสดูนั่นแหละจนกระทั่งพ้นจิตได้เต็มภูมิแล้วในขั้นสุทธาวาสก้าขึ้นสู่อรหัตภูมิผ่านนิพพานไปเลยนั่นเรียกว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากโทษ อย่งการจองจํานี่พูดตามวิถีความเป็นไปของกิเลสที่เรียกว่าวัฏตะวญแล้วพูดไปตามวิถีแห่งกุศลที่สนับสนุนเราให้เป็นไปโดยลําดับๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลที่สร้างนี้เท่านั้นส่วนอานาจของกิเลสที่จะให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีทาง มีแต่ธรรมชาติที่เป็นผู้กดท่วงโดยไถ่เดียวทนั้นบุญกุศลเป็นผู้ผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกช่วยไปโดยลําดับลำดับเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บําเพ็ญกุศลให้มากหากจะได้เวียนว่าแต่เกิดในว่าแต่สงสารก็มีสิ่งที่ช่วยต้านทานความทุกข์ร้อนทั้งหลายให้พอให้เบาบางเช่นเดียวกับเวลาหนาเวล า, าหนาวมีผ้าห่มเวลาร้อนก็มีน้ำสำหรับอาบ เวลาหิวก็หายก็มีอาหารรับทานมีที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องเยียวยารักษาพร้อมไม่ให้ทุกข์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยบุญกุศลคอยพยุงอยู่เช่นนี้จนกว่าจะพ้นไปได้ตราบใดตราบนั่นถึงจะหมดปัญหาแต่แม้เช่นนั้นบุญกุศลก็ยังต้องปล่อยไม่ได้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสนับสนุน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 ความจริงกับความปลอมมันต่างกันะธรรมะเป็นของจริงจิตเป็นของปลอมปลอมเต็มที่จนไม่สามารถจะรับได้อย่างนี้มีมากมายก่ายกองส่วนฝ่ายหนึ่งจริงฝ่ายหนึ่งปลอมยังพอรับได้รับธรรมะขั้นสูงไม่ได้ก็ยังรับขั้นต่ำได้ตามกําลังความสามารถของตนก็แสดงว่ายังมีขาวมีดําเกลียวปนอยู่บ้างภายในจิตไม่ดําไปเสียหมดคือไม่ปลอมไปเสียหมด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 มีสาระสำผัญจึงรับเอาธรรมสารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นต้นเข้าสู่จิตใจฝากเป็นฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามท่านยากลำบากเพียงไรก็ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมผมมระสง์เรียกว่าจิตของเรามีสาระคุณสมควรตามกำลังความสมารถทั้งตนอยู่แล้วยึงไม่ควรตำหนิ ติเตียนตนว่าเป็นผู้มีวาสนาน้อยความติเตียนตนโดยที่ไม่พยายามพยุงตัวขึ้นและกลับเป็นการกดทวงตัวเองให้ท้อถอยไปโดนดับนั้นเป็นความติเตียนที่ผิดไม่สมกับคําที่ว่ารักตนความรัาตนต้องพยุงจุดไหนมีความบกพร่องต้องพยายามพยุงหรือส่งเสริมจุดนั้นให้มีความสมบูรณขึ้นเป็นอระดับสมชื่อสมนามว่าเป็นผู้รักตน และสมกับว่าพุทธทางสมังสนังกระฉามิที่ถือพระพุทธเจ้าหรือองค์แห่งธรรมหรือองค์แห่งเหตุผลเข้ามาช่วยประคับประครองหรือพยุง จ, จิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆในสากลโลกนี้ถ้าเราจะพูดถึงธรรมสารหรือาสาระสําคัญแล้วก็มีอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นสรุปลงแล้วมีธรรมเทา่านั้น เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นฝายตาได้ตลอดการทุกเมือ่อตลอดพบตลอดชาติในวัตฏะวนที่เรายกเว้นกันมาอยู่นี้ไม่มีอันไดที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่มเย็นจิตใจเหมือนธรรมนี่เลยธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคําว่าพระธรรมรักษาคืออย่างไง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 อันใดที่เป็นค่าสึกต่อตนและผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมท่านเรียกว่าอะธรรมล้วพยายามกำจัดสิ่งเห น, งนั้นออกดำเนินตามหลักทําห้สั้นสันสอนดังที่เราทั้งหลายได้อบรมสมาธิภาวนาหรือฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เวลานี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละคือความปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมด้วยกาลังและเจตนาดีของตนเช่นี้ผลต้องเกิดขึ้น ให้เป็นความให้เป็นธรรมรักษาเรานะคำว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในชั่วนั้นก็คือก็คือผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ๆพระธรรมท่านก็จะโดดเข้ามาช่วยอยู่ๆพระธรรมท่านก็จโดดออกมาช่วยโดยที่ผู้นั้นไม่สนใจกับธรรมเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้สาเหตุที่ธรรมท่านจะรักษาก็คือเราเป็นผู้รักษาธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการรักษานั้น ก็ทำเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยมีความอยู่เย็นเป็นจุดนั่นท่านเรียกว่าทำรักษาการปฏิบัติเรามีความหนักแน่นมั่นคงละเอียดละออมากน้อยเพียงไรพ้นที่จะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจก็ยิ่งขยืบขึ้นไปโดยลำ ด, ำดับตามเหตุที่เราทำไว้นั้นๆจนกระทั่งถึงรักษาให้ผ่านพ้นปรจกักภัยทั้งหลายโดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่านิยาณิกรรมชุดล่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยดีจนเต็มภูมิความสามารถนั้นให้ผ่านพ้นจากสมมุติอันเป็นบ่อแห่งอนิจจังทุกขังอัตตาหรือบ่อแห่งความเกิดเจ็เจ็บตายานี้ไปเสียได้หายห่วงนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หายห่วงพระสงฆ์เป็นผู้หายห่วงด้วยการปฏิบัติธรรมทำรักษาท่านพระองค์ท่านจนกระทั่งถึงภูมิแห่งความหายห่วง ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เสียดายยื้อใหญ่เป็นผู้สิ้นภัยสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นวิบากแห่งกรรมโดยตลอดทั่วถึงพระพุทธคือพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์สาวธรรมจึงเป็นความเป็นธรรมชาติที่จําเป็นต่อศาสตร์โลกผู้มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญความหวังหวังด้วยกันทุกคนแต่สิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของตน เราอยากให้มีแต่ความหวังอยู่ภายในใจใเฉยเราต้องสร้างเหตุที่จะให้เป็นเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นด้วยดีดังเราทั้งหลายปฏิบัติทำเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและเราจะจะปฏิบั ต, ติต่อไปโดยลาดับนี่แหละคือเราสร้างความหวังไว้ความหวังจะไม่เป็นของใครจะเป็นสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจของผู้สร้างความหวังไว้นั่นแหละ ไปดูเมนท่านวันนี้ก็ไปเห็นประชาชนมากมายกลกองก็เกิดความสงสารนะทำให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคิดถึงองค์ของท่านที่ท่านตั้งใจวิปฏิบัติมาก็เป็นวาระสุดท้ายมาไหวที่เมนนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกาย จิตใจก็จะต้องก้าวไปอีกก้าวไปตามกรรมตามวิบากแห่งกรรมไม่หยุดยั้ยงไม่มาอยู่เมงแต่จะอยู่ด้วยกับกรรมกับวิบากแห่งกรรมเท่านั้นกรรมวิบากแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะเป็นเครื่องพาให้เป็นให้ไปไปดีไปชั่วก็อยู่กับที่ตรงนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งหมดเพรา ะ, ะนั้นจึงพยายามสร้างความดีไว้ให้เป็นที่เพียงพอแก่ใจิตใจของตน ใครก็ตามที่พูดไม่ถูกต้องตามอัตตามธรรมอย่าถือมาเป็นอารมณ์ให้เป็นเครื่องก่อควาจิตใจโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเองเพราะความคิดในอารมณ์ไม่เป็นประโยชน์นั้นผู้ใดที่เป็นจะเป็นสารณะของเราผู้ใดจะเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของเราเป็นคติเครื่องสอนใจของเราในขณะที่จะเห็นได้ยินได้ฟังผู้นั้นแหลคือกัณยานามิตรถ้าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนับแต่พระสงฆ์ลงมาโดยลํำดับ จะเป็นเด็กก็ต่างทำนั้นไม่ใช่เด็กคือคติอันดีงามนั้นยึดได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ยึดได้แม้แต่สัตว์ดิบฉันตัวใดมีอัยาศิยะใจคอดีก็น่ายึดน่ะเอามาเทียบเคียงถือเอาประโยชน์จากเขาก็ได้ผู้ทีมเป็นคนโรคโลกนั้นอย่านําเข้ามาคิดให้มันรกรุงรังภายในจิตใจของตนโรคโล ก, โลกให้มันโรคอยู่เฉพาะเขา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 เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดสายจนกระทั่งพบหน้าพบไหนก็ตามความรับผิดชอบของตัวนี้จะต้องมีติดแนบไปกับตัวแล้วเราจะสร้างอะไรไว้เพื่อสนองความรับผิดชอบเราให้เป็นที่พึงพอใจนอกจากคุณงามความดีนี้ไม่มีเรแล้ได้ตําหน่เรื่องโลกเราเกิดมากับโลกธาตุขันทั้งธาตุทั้ ง, ง, ง, ง, ง, งขันร่างกายนี้เป็นโลกทั้งนั้นพ่อแม่เขาเราก็โลกทุกถึงทุกอย่างที่มายย า, ยารักษาก็โลกเราเกิดมาก็โลก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 โดยไม่รู้สึกตัวมายึดแต่ร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่จะเป็นความเสียหายสาหรับเราเองที่ไม่คิดรอบคอบต่อท่าต่อขันนะอันนี้ก็เป็นโลกเราทุกคนเป็นโลกอาศัยพึ่งพาไปตามกาลังของเป็นไปของมันไม่ปฏิเสธอันนี้โลกอยู่ด้วยการสร้างอยู่สร้างกินเพราะร่างกายนี้มีความบบช่่องต้องการอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องพานั่งพานอนพ า, นนพานยืน พาขับพาถ่ายพารับทานอะไรทุกสิ่งทุกประการด้วนแล้วตั้งแต่มาเยียวยารักษาความบกพร่องของร่างกายเมื่อเป็นฉะนั้นไม่ทํางานได้หรือคนเราอยู่เฉยอยู่ไม่ได้ต้องทํามีเป็นความจําเป็นสำหรับธาตุขัในขณะเดียวกันควรจะเป็นสำหรับจิตที่ต้องเรียกหาความสุขความเย็นใจต้องเรียกหาความหวังหาความสมหวังเราอย่าลืมความความหวังอันนี้เราอย่าลืมความรู้สึกอันนี้ที่มีอยู่ภายในจิตแม้จะมี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 เอาคุณงามความดีแล้วก็สอดสังหาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาจิตใจหรือประยุงส่งเสริมจิตใจให้มีอาหารเช่นเดียวกับส่วนร่างกายและมีความสุขความสบายนี่เฉพาะอย่างยิ่งสร้างขึ้นเรื่องสติปัญญาอย่าให้จนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อความจนกรอกจนนุ่มเราเกิดมาเป็นคนทั้งคนเฉพาะอย่างยิ่งรักวิชาทุกๆุกแขนงสอนให้คนฉลาดทั้งนั้นทั้งโลกก็ดีนี่ทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าทรงฉลาดแหลมคมที่สุด สอนอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถสอนได้รู้อย่างมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถอดถอนสิ่งที่มนุษย์ทั้งหึงหวงที่สุดไม่สามารถจะถอดถอนได้พระพุทธเจ้าถอดถอนได้ทั้งนั้นแล้วเวลามาสอนโลกก็ไม่มีใครที่จะสอนได้แบบพระองค์เลยนี่ผู้นี้เป็นผู้ที่น่ายึดเอาอย่างยิง่งแล้วผลที่ปรากฏจากความฉลาดแหลมคมของพระองค์งก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสั่งสอนโลกจนกระทั่งวันปณิพานนิพันธ์แล้วก็เป็นความสุกเกษม ไม่มีะระบบคล้องสำหรับพระองค์เลยผู้นี้แลเป็นสลักสนนังขัจฉามิได้โดยสมบูรณ์เราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวคือจิตใจของเราให้มีความสมบูรณ์ภูมิสุขไปด้วยคุณงามความดีความฉลาดอย่าให้จนกรอบจนมุมพระพุทธเจ้าไม่พาจนกรอบไม่เคยทราบพริพุทธเจ้าไปจนกรอบไปไม่น่าติดที่ตรงไหนติดตรงไหนฟันลงนั้นขุดตรงนั้นจนทะลุไปได้หมดไม่ใช่ติดอยู่แล้วนอนอยู่นั้นจะจนกรอบจนมุม ท, อทอ่อถอยอ่อนแอ ถอนกาลังออกไปเสียอย่างนี้ใช่ไม่ได้ติดตรงไหนกัดข้องตรงไหนนั่นแหละคือทําอันหนึ่งเป็นเครื่องท้ามสอนเราให้พิณิพิจนาหรือเพื่อเรื่องเตือนสติปัญญาให้ผิดขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันมาติดข้องเราไปประสบเหตุการณ์อันใดก็ตามเราจะเอาความจนกรอกเข้าไปขวางหน้าเราให้เอาสติปัญญาเขาเ้าเป็นผู้บุกเบิกอะไรมันขวางบุกเบิกเข้าไปเรื่อยๆคนเราไม่ใช่ว่าจะง o เรื่อยไปแต่ไม่ใช่ว่าจะฉลาดมาตั้งแต่วันเกิด ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาอาศัยการสั่งสมหรือการค้นคว้าการพินิจพิจารณาการศึกษาเราเรียนการอบมรมแล้วการคน้คนการคิดความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยลํำดับลาดับไม่มีประมาณแม่น้ำมหาสมุรรทรจะบอกว่างเท่าไรก็ต่างปัญญายังแทรกไปได้หมดกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุรทรทั้งความโง่กับอะไรจะโง่ยิ่งกว่าจิตนี้ ม, มีถ้าจะทําให้โง่โง่จนตั้งกับตั้งกันเกิดด้วยความโง่ตายแล้วความโง่อยู่ด้วยความโง่โ ง, ง, ง่ตลอดนี่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 บ่นให้แคบให้ขาไอไอวาส่วนต่างๆเจ็บนั้นปวดนี้บ่นกันไปออกมาจากใจนะคนําบ่นนี้ความไม่พอใจการบ่นนั้นเหมือนก็เป็นการระบายทุกข์ความจริงไม่ใช่ระบายทุกข์มันเพิ่มทุกข์เราไม่รู้สึกตัว <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นสองชั้นขึ้นมาแล้วเรื่องทุกข์เรียนให้มันตลอดทั่วถึงของอยู่กับเราสมบัติเงินทองมีอยู่ในบ้านเรามีมากน้อยเพียงไรเรายังมีทะเบียน บ, บัญชีเรายังรู้ว่าของนั้นมีเท่านั้นของนี้มีเท่านี้เจ็บไว้ที่นั่นอันนั้นเจ็บไว้ที่นั่นเรายังยังยังรู้ เรื่องของมันจํานวนของหมันแล้วเก็บยวกันในสถานที่ใดเรารู้แต่สกุลกาธาตุขันธ์เหล่านี้เราแบกเราหามาตั้งแต่วันเกิดแล้วเรารู้บ้างหมายว่ามันเป็นยังไงมีอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนมันมีดีมีชั่วมีโส ก, รปรกโปกโสงม ม, มีความสะอาดสะอานที่ตรงไหนมีความสาระสําคัญอยู่ที่ตรงไหนไม่สาระสำคัญตรงไหนมีอนิจจังหรือมีมีนิจจังอยู่ที่ตรงไหนมัง่ง มีทุกขังหรือสุขขังอยู่ที่ตรงไหนมีอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงไหนคนนะ่ะมันเห็นเหตุกันผลซึ่งมันมีอยู่กับตัวด้วยกันด้วยทั้งนั้นในท่านในขันนี้ค้นลงไปพระวิชาท่านสอนส่วนมากอยากจะว่าพูดว่าร้อยทั้ง 100. ร้อยอืมรูปังอนัตตานั่นจังสิรู้ปังอานิจจังอืคําว่าอานิจจังคืออะไรมันควรเราอยู่ตลอดเวลาความอนิจังมันแปร ى, ทุกขังเหมือนกันมันควรทางว่าเราจะพูดทั้งแบบนักธรรมะ มันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือไฟรูปไหมอ้อนาตตามันเป็นไฟถือแล้วร้อนนยรูปปางคำว่ารูรปปางนะั้นแยกออกไปรูปมันมีกี่อาการอาการอะไรบ้างดูทั้งทั้งนอกข้งในดูเห็นตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านดูตลอดทั่วถึงปัญญาไม่มีจนกรอบทั่วถึงไปหมดถ้าจะพาให้ทั่วถึง ถ้าจะให้ติดอั้นอยู่ตลอดเวลาก็ติดเพราะไม่ไม่ได้ชิดเนี่ยสำคัญจริงๆก็คือร่างกายหนังหุ้มอย่นี้แล้วดูให้ดีถอนมูลกรรมาฐานมา น, นี้สัมเกษารลมาหนขาทันตาตะโจพอมาถึงตะโจคือหนังเท่านั้นอยู่ ท่านเรียกว่าตาจับปรรัญจกะกรมมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าแปลตามสนะัพทนะพอมาถึงตะโจแล้วทำไมถึงหยุดเสียสอนพระสงฆ์ผู้บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็อนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือว่าไปรเริ่มดับปฏิโลมคือถอยหลังย้อนกลับพอถึงหนังแล้วหยุดเพราะอะไรท่านถึงหยุดความหมายหมายว่าไงหนังเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับสัตว์โลกติดติดกันก็ติดที่ตรงหนังน หุ้มสกุลากายไว้ก็คือหนังผิวพันมานั่ข้างนอกหน้าดูแต่ไม่ไดหนาเท่าแบลานเลยข้างในเป็นนี่มันหุ้มที่เร า, าลองท้หลอกหนังนี่ออกดูสิเราดูกันได้ไหมสัตว์เป็นสัตว์ก็ดูไม่ได้เป็นคนก็ดูไม่ได้เป็นญิ้มไม่ใช่ดูกันไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อถลอกหนัง อ, อแล้วเป็นยังไงนี่แหละปาถึงตะโจท่านถึงหยุดอันนี้มันครอบแล้วครอบในสกุลกายหรือว่าครอบโลกธาตุแล้วพิจารณาตรงนี้คลี่คลายออกดู ทั้งข้างนอกดู ข, ข้างในของของหนังไปยังไงหนังรองเท้ามันไม่สกปรกไม่เหมือนหนังคนหนังสัตว์ที่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่นี่ดูนี่เรากรลมาฐานดูข้างบนข้างล่างคนทั้งคนเอาถลกดำทัง้งหมดทั้งเขาทั้งเราจะดูกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมเรายังไม่เห็นอยู่หรือความจริงที่สแสดงอยู่ภายในตัวของเราเรายังยึดยงถือว่าเป็นเราอยู่ได้เหรอือไม่อายความจริงบ้างเหรอือความจริงเป็นอย่างนั้นนี่แต่เราฝืนความจริง แบบด้านๆเฉยๆ น, นี่จะว่าไงเพราะอะไรถึงด้านเพราะกิเลสตัณหาความมืดดำกำตามันทาด้านเราก็ต้องทนด้านกับมันฝืนแต่ไม่อายเว้ยเจ้าบ้างนี่สิทั้คันอ่ะเว้ยเจ้ามีพระเมตตาสั่งสอนตัโลกให้ปล่อยวางสิ่งต่านี้แต่พวกเรายังยึดยังถือไปเรื่อยบางคนเป็นจะแทบจะตายยังตายไปไม่ได้ไเวลานี้ยังมีธุระอย่างนั้นๆจะตายไปไม่ได้ฟังสิ จะตายไปไม่ได้อย่างไรตั้งแต่เป็นมันยังเป็นนีทําไมตั้งเจ็บมันยังเจ็บมันทำไมมันจะตายไม่ได้ไม่คิดบ้างหรือ อ, นนอนนันี้ก็ดีนานนี่แหละความโง่ความโง่ข่าวของพวกเร า, ามราันเป็นอย่างนี้เพรามจริงต้องแจง้งออกให้เห็นความโง่ของตัวเองด้วยสติปัญญาจากการด้วความฉลาดแหลมคมขึ้นมาธรร ม, มาฐานห้าท่านสอนถึงตะโจเป็นประโยคใหญ่มากทีเดียวอา้าวดูเข้ า, าไปา่อไงเนื้อเอ็นกรดูก ข้าวแพ็กหนเท่าไหร่ดูได้ะพี่นายดินี่เนี่ยเที่ยวกรรมาฐานเอาเที่ยวตรงนี้ดูให้ดีดูข้างบนข้างล่างให้มันเพลินอยู่กับความกริงนี่แล้วมันจะค่อยคลายออกคลายออกเรื่อยๆเรื่อยพอเข้าใจความรู้ความเข้าใจซึมซากระบาปถึงไหนความผ่อนคลายของของใจจะเบาออกเบาไปเบาไปเบาไปโดยลําดับลำดับหน่อย เพราะอันนี้เพราะความสำคัญอันนี้เป็นเครื่องให้หนักภายใ น, นจิตใจเพราะความเข้าใจนี้แล้วจึงต่อยวางเดยหนักแล้วก็มีความเบาภายใ น, นจิตใจนี่เป็นประโยคสําคัญในการพิจารณากรรมฐานเอาออกเป็นชิ้นเป็นอันกําห น, นดออกจะแบบให้มันเปื่อยพังไปเรื่อยๆเอาเอาเปื่อยเปื่อยแบบเยิม้มดูไม่ได้ อะไรที่จะทําให้เกิดเป็นความขาดอย่างซึ่งนึงมีอยู่ภายในร่างกายแต่ก่อนมันไม่คยไม่ขัดแย้งทาให้เกิดให้มีด้วยปัญญาของเราพิจารณาให้เห็นชัดเจงนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ความปลอมมันเสกเออกใครก็เสกได้ด้วยกันทั้งนั้นฟังตำบับปลอมเสกได้ทั้งนั้นมันเสกง่ายเสกปลอมติดง่ายความจริงมันไม่ค่อยอยากเสกมันไม่ค่อยอยากพิจารณาจริงไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยชอบเนี่ยไปชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบ แล้วมันก็ทุกนั่นสิ่งที่เราไม่ชอบด้วเหมือนกันเกิดทุกความทุกไม่มีใครชอบแต่มันก็เจอด้วยกันเพราะมันปีนเกลียวกับความจริงเราจะกําหนดให้มันเปือยลงไปโดยลาดับหนับก็ได้เอาจะกําหนดแยกออกเฉือนออกไปเฉือนออไปเป็นกองเป็นกองกองเนื้อกองหนังอะไรออกออกไปให้เหลือแต่กระดูกกระดูกนีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันติดต่อกันที่ตรงไหนกำหนดออกไปดึงออกไปกอง ไฟเผาเข้าไปอืมนี่คืออุบายแห่งมรรคได้แก่ปัญญาความติดพันในสิ่งเหล่านี้จนถึงกับเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกทั้งลูกก็เพราะความสําคัญก็เพราะความปรุงความแต่งของจิตใจความสําคัญมั่นหมายของอจิตใจซึ่งเป็นตัวจมปอมนั่นแหละเรายังพอใจติดใจได้เรายังพอใจคิดยังพอใจสําคัญมั่นหมายได้ยังพอใจติดได้ปัญญา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 นี่ท่านเรียกปัญญาอา้าวกำหนดเผาไฟลงไปได้กี่ครั้งกี่หนเราไม่ต้องไปนับครั้งนับหนเอาคำชำนานเป็นของสำคัญชานานจนกระทั่งมันปล่อยมันวางได้นอกจากนั้นมันก็เป็นสุญญากาศร่างกายทั้งเหานี้ที่แรกมันก็เป็นปฏิกูลพิจารณาที่แรกไม่ได้พิจารณาเลยมันก็สวยกว็างามพอพิจารณาตามหลักธรรมุริยาเข้าไปที่เดียวกับปฏิกูล มันก็เห็นชัดคล้อยตามคล้อยตามซึ้งเข้าไปเดิมดำหนัจกจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายมีความขยะขแขยงเกิดความสลดสังเวชน้ําตาล่วงออกมาในขณะที่พิจารณาเห็นประจักภายใน จ, ใจิตใจโอ้เห็นกันแล้วหรือวันนี้แต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนร่างกายทั้งล่างมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มันเกิดทําไมไม่เห็นทําไมไม่เกิดความสลดสังเวชวันนี้ทําไมถึงเห็นอยู่ที่ไหนถึงมาเจอวันนี้ทั้งๆ ท, ที่อยู่ด้วยกันแล้วทาไมถึงมาเจอวันนี้นั่น ลำพึงลำพันกับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆเกิดความขยะขยแขงเกิดความสฉลดสังเวชแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้เพราะความหนักก็ได้แก่ความยึดความถือพราะเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาหยิดเบาโล่งไปหมดจากนั่งกำหนดลงไปทนันทันลายลงไปแหลกเล้วไปหมดกลายเป็นดินเป็นน้าเป็นลมไปไฟจิตปรากฏเป็น เหมือนกับอยู่อากาศอะไรเลยกล้ายเป็นธาตุเปหมดเป็นอากาศและธาตุเปหมดจิตว่างไปหมดเลยนั่นนี่อุบายของสติปัญญาทําคนให้เป็นอย่างนี้ทําความรู้ความเห็นให้เป็นอย่างนี้ทําผลให้เกิดความสุขความสบายความเบาขินเบาใจอย่างนี้นี่เมื่อกําหนดเข้าไปนานๆ จะมีความชำนาญละเอียดยิ่งไปกว่านี้แม้ที่สุดร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตาของเรามันหายไปหมดจากภาพจากรูปกลายเป็นอากาศสทธาทว่างไปหมดเลยดูต้นไม้ก็มองเห็นเพียงเป็นลางๆเหมือนกับเงาภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเงาเท่านั้นไม่ได้เป็นภูเขาจริงจังเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตมันแทงทะลุไปหมดร่างกายทั้งล่างก็เป็นเหมือนกับเงางเท่านั้นเองทะลุไปหมดว่างนี่ ว่างเพราะวางร่างกายด้วยเพราะจิจทะลุร่างกายทั้งหมดความเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนเป็นก้อนเป็นอะไรนี้ทะลุออกหมดหาชิ้นหาก้อนไม่มีกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยนั่นนี่หมายถึงร่างกายเวทนามันก็มีแต่เพียงยับยับยับยิบยิบยิบเกิดภายในร่างกายมันก็ว่างของมันเองเหมือนกัน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 มันเป็นก้อนอยู่ในจิตก้อนอวิชชาก้อนสมมุติก้อนพก้อนชาติมันอยู่ที่จิตปัญญาฟาดฟันลงไปที่นั่นอคําที่มัเาเงาเงาหมดคําที่ว่ า, า, าก้อนก้อนหมดภายในจิตไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนนั่นที่นี่ว่าอะไรความรู้ล้นลวนอันนี้ความรู้บริสุทธิ์คือซากฟอกออกหมดอันใดที่เป็นลางๆหรือเป็นเงาเงา ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติเป็นเรื่องของพิเลศมันชำละออกหมดไม่มีอะไรปิดบงังจิตใ จ, จดวงที่บริสุทธิ์นี้ได้เลยนั่นคือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งพบแห่งชาติที่สุดแห่งวัฏจักรทั้งหลายสิ้นสุดลงที่จุดนั้นหมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะ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 เมื่อธรรมชาตินี้ก็รู้ๆกันอยู่นี้ไม่สูนย์แล้วพระพุทธเจ้าจะศูญไปได้อย่างไงคําว่าพระธรรมพระธรรมนั้นศูญไปได้อย่างไร ร, ไไงไ ร, ร, รู้อะไรถ้าไม่รู้ทำและทําไม่มีจะรู้ได้อย่างไรถ้าว่าธรมศูญจะรู้ได้อย่างไงนานลงที่จุด น, นี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมผสมไม่ว่าว่าอยู่เหมือนอยู่นะักอยู่กับพระพุทธเจ้าว่างนันเลยให้มันเต็มเม็เต็มหน่อยตามความรู้สึกนั้นสิ แล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ไหก็เมื่อธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเทียบเคียงหรือเป็นสักขิบยานกับความกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกับพุทธะของพระองค์กับธรรมะสังกัดทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนี่เราจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีได้ไงเมื่อเราปฏิเสธธรรมชาตินี้ไม่ได้เมื่อเรารับรองธรรมชาตินี้ก็รับรองพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ได้อันเดียวกันนั่นถ้าจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีในโลกก็ปฏิเสธอันที่เสียว่าไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมทั้งทั้งตีนลุ้ยย นี่แหละยอมรับกันตรงนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเมื่อรู้เรื่องของทำโดยทั่วถึงแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยเพื่อเจ้าเลยแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะพุทธท่านแท้จริงไม่ใช่เรือนร่างไม่ใช่ร่างกายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดังที่ตัวรู้เห็นอยู่นี้เลย น, นี่คือธรรมชาติเตี้ยสจั่น บื้องต้นได้เทศอะไรเรื่องความเกิดแก่เก็บตายมันไม่ยุติร่างกายเอาขึ้นบนเมนแล้วจิตมันยังไม่ยอมขึ้นมันมันยังขยันหาเอาซากเอาศพไปขึ้นเมนอยู่เลยเลยศพบางศพไม่ได้ขึ้นเมนถ้าเป็นศพเป็ดศพไก่มันก็ขึ้นเมนคือขึ้นเตาไฟเผากันที่นั่นแต่เราไม่เห็นว่าเป็นป่าช้า ถ้าเป็นเอ า, เอามานุษย์ไปเผาที่ตรงไหนไปฝังไหนนั่นป่าช้ากลัวกันจะตายไปสัตว์เอาขนเข้ามาในเตาไฟไม่เห็นกลัวว่าเป็นป่าช้ายิ่งสนุกสนานกันไปใหญ่นี่เพราะความต้องกามันผิด ก, กันนั่นเองแล้วจิตมันก็ชอบทิ้งนี้แล้วมันไปคว่าหาใหม่หาใหม่เอามาขึ้นเมนเรื่อยๆจนไปขึ้นไหนก็ไม่รู้เลยถ้าธรรมชาตินี้ไม่ได้ปลอกออกให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้ว ความขึ้นเมรุไม่ต้องสงสัยความจองปา่าช้าจับจองป่าช้าไม่ต้องสงสัยพบใดก็ตามก็คือพบแห่งปา่าช่าเองก่อนที่เป็นปา่าช้ามันเป็นกองทุกข์เท่าไห่ป่าช้าเป็นวาระจุดท้ายแหงกองทุกข์ในชาตินั้นเราขยันนั่งเหลือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไม่ได้หากดเกณฑ์ไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเรามีความแน่นอนในการเกิดว่าต้องเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้ก็ยังพอทำเนาเพราะพบที่เราต้องการนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นความสุขแต่นี้มันปรารถนาไม่ได้ถ้าไม่มุ่ง สร้างเหตุให้เป็นความสมหวังเสียตั้งแต่บัดนี้คือสร้างจิตสร้างใจสร้างงามความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นี้คือสร้างความสมหวังไว้สำหรับตนและจะเป็นผู้สมหวังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมหวังวารสุดท้ายเป็นที่พึงพอใจอย่างเป็นที่ได้แก่วิมุตถ์หลุดพ้นคือพระนิพพา น, นเนี่ยว่าสารก็เห็นว่าสมควรเอาละักรุติ